บุ๊กหสิปใหญ่เล็กใหญ่และเล็กช้างตัวใหญ่ หนูตัวเล็ก мышь маленькая มืดและสว่าง тёмны и светлы ตอนกลางคืนมืด ночь тёмная ตอนกลางวันสว่าง день светлы แก่ชลาหนุ่มสาว стары ์ м о л о д มคุณปู่คุณตาของเราแก่มาก наш д ะดูเหลือเวล์มิสเเจ็ดสบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม назад, สวยและน่าเกลียด ผีเสื้อสวยมาติลุกเรืโจร์มงมุมหน่าเกลียดปาวุกบริตกิอ้วนและผอมทูตสตีอิคูดิผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้ว น, น, นว100วผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม м у ж ช ына вагою 50 к ิ х ล д รัมผอมแพงและถูกดารายิตั н น์รถราคาแพงออตมอแบลล์ดา а ายิมหนังสือพิมพ์ราคาถูก а з е т а ั анная